เรื่องครูและสิทธิ์สนทนาธรรมเมื่อครั้งที่ท่านพระอาจารย์มั่นอาพาธหนักแต่ลุกนั่งเดินไปมาในระยะใกล้ได้และยังสนทนาธรรมตามปกติเวลาบ่ายวันหนึ่งมีพระอาจารย์เทศเทษา ร, รังสีพระอาจารย์วันอุตโมและผู้เล่าคือหลวงตาทองคํารวมทั้งท่านพระอาจารย์มั่นเป็นสี่รูป พระอาจารย์เทศเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าเวลาครูบาอาจารย์อาพาธพิจารณาทำอะไรสนทนาในฐานนาสิทธ์เคารพครูนะอย่าเข้าใจว่าไล่ภูมิท่านตอบว่าพิจารณาไปเท่าไหร่ก็เห็นแต่พบมีแต่พบไม่มีที่สิ้นสุดพระอาจารย์เทศย้อนถามว่าเมื่อเห็นแต่พบครูบาอาจารย์พิจารณาเพื่ออะไร ท่านตอบว่าเพื่อให้รู้แล้วเราก็รู้มานานแล้วไม่ได้สงสัยเหตุที่พิจารณาก็เพื่อให้ท่านหมายถึงพระอาจารย์เทศและคนอื่นๆหมายถึงสารุสิทธิ์และสัตว์โลกทั่วไปรู้ว่าคนสัตว์ที่อยู่ในภพหรือผู้ปฏิบัติจะมีทั้งสนุกตื่นเต้นเศร้าสลดสังเวชและเห็นธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตา คนจะรู้ว่าตอนอยู่ในภพนั้นมีน้อยมากเพราะอาวิชชาปิดบังไว้เมื่อมีรู้ว่าตอนอยู่ในภพก็มีรู้พระนิพพานเมื่อเรารู้ว่าตอนอยู่ในภพแล้วจะอยู่ในภพทำไมก็อยู่ในพระนิพพานเท่านั้นเองพระอาจารย์เทศก็บอกท่านว่ากระผมก็พิจารณาอย่างพระอาจารย์ว่า ต่างก็ชื่นชมกันในระหว่างครูและศิษย์